งิญญาณว่าจะใหม่วิยญาณวย า, วะ จ, ะวยาวะจะกรอนเนี่ยเมียสองน้อยกว่ น, นบริสุทธ์นิดเดียวมช่วยเขาไงพวกบอกบุญพวกช่วยงานบอกบอกบุญจะไไปโสดท่า น, นที่ไปบอกบาปเลย ที่บอกบุญเขญ า, า, า, า, าขโมยทมพันเราเขาไม่เขาไม่ทำด้วยโสรฉันไม่ได้นะเราถือบอกเขาทำความดีเขาทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาเราได้อเ น, นสงน้อยกว่าในมบริสธ์นิดหนึ่ง mm hmm. นี่ก็จะหากินฟรีนะ mm hmm. ยังกะท่้โคศเทวบุตร ไอ้โคส่งเศรษฐีไอ้โคส่งเศรษฐีในในายดีก็เป็นคนที่บอกบุญตอนเช้าก็ล่องบอกวเวรบกเวรเวลานี้ชาวมุสโยกข า, าเพราะจาบบ้านกมเองทำบุญแต่บายกันเพอ่แค่เนี้ยตายแล้วก็เป็นเทวดาลงมาเป็นมหาเศรษฐี แล้วกันเลยฮะแม้พักเครื่อยแต่ไม่ได้หยุดเขาไม่ไเลยครับฉันพักเรื่อยไม่ได้เดินไปไหนแต่ไม่ได้หยุดพูดพูดก็พูดไปมากพูดคนเดียวแต่พูดก็ไม่ได้หยู่เพราะอะไรไม่มีใครมาพูดนั่งพูดคนเดียวแล้วกันจริงพูดแบบนี้ก็ดี เวลาตายถ้าเขาอยาไปไหว้เนรกประชาชนเนรวกลาคลายมันก็ไล่ไปตวรรคววันในพวกชวรรนไม่ลำคลายมัก็ไล่ดีอยู่พรหมก็พรหมลคายก็ไล่ไปนิพพานนั่นย้ยไล่มาเมืองมนุษย์ช้านึกครื่องําคายมันเคงเอาไปเปล่าแต่ผ่านะมีเวลา20นาทีเศษ ไม่ได้ตั้งท่าไอ้พูดเรืงอะไรดีว่าเรื่องอะไรดีกว่าเราไม่ทนมันแมอยากจะตาตั้งท่าเ้อง่ฮยตั้งท่าาบง่อบอกเราี <c oughs> <c oughs> ่ย้ดีกว่าไม่ชอบใจเรื่องที่บาดซี ใชว่าคนที่มานี่ทั้งหมดนั่งดูแล้วก็นอนดูแล้วยืนดูแล้วก็เดินดูแถมหลับดูด้วยว่าส่วนคนทั้งหมดเป็นผู้มีจิตเต็มบริบาทสี่ช่ไหม ท, ที่บาท์ีนี้ก็แปลว่าคุณเครื่องยังให้ยังความสำเร็จใ้ปรากฏ อคนใดมีที่บาทสี่ครบถ้วนต้องการจะไปนรกก็ไปสบายอ้ออาวไปได้จะเป็นเปบตก็ไปได้เป็นสุรกายก็ได้เป็นสติรช้างก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นเทวดาวก็ได้เป็นพรมก็ได้เป็นนิพพานก็ได้มันไปได้ทุกทางอะ่ะเห็นไหมถ้ามีที่บาทสีในด้านทำความชั่วเขาไปเวียดีได้สบาย ใครไปมเมื่อไหร่รู้ไปไห ไ, ไปไมั้ยไปถ้าไมไปหาเพื่อนไม่ได้นะเลยยอมไปไหไ ป, ไปแล้วไปไห ม, ไมไเออได้ฉันไปคนเดียวไม่มีเพื่อนคุย ไ, ไปฉันก็ไปเพราะว่าจำแปลว่าคุณเพื่อนอย่างความสาเร็จในตรากรดก็หมายความว่าได้ทั้งความดีแต่ความชั่วใช่ไหม นี S <S <々>่สำหรับบรรดาญาโยมพุธบริษัทที่มานี่เป็นเรื่องของบุคคลที่ต้องการความดีบางทีก็ไปนั่งนึกก็ไอคนอย่างเรามีได้เรื่องไนเร้าอแหละมาถึงก็ฟังฟังแล้วก็กลับนั่งอเดี๋ยวไปกับไปไม่เห็นมันดีตรงไหนที่บางท่านอาจจะคิดอย่างนี้นะนี่เข้าใจว่าบางคนหลายคนคิดอย่างนี้และบางท่านก็คิดว่า ไอ้มาทำทำไม่เห็นมันดีตรงไหนกลับออกไปแล้วจีก็ฟุง้งซ่นรุมรานนิ้วคิดเรื่องน้นแล้วก็คิดเรื่องนี้ใช่ไหมอันนี้คนอื่นเขาคิดจะไม่คิดมาแตมาเคยคิดมาก่อนเอ <c oughs> าเรื่องใจของเราสบายกว่าไหมใจเาวบ้านเรารู้ไม่ได้อใจของเราเป็นเครื่องเทียบนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลผู้ปฏิบัติ เพราะว่าผลเห่งการปฏิบัติเนี่ยความดีถ้าเราไม่ใข่โซนจริงๆเราไม่เคยสังเกตวไวมันจะเห็นผลช้าบางทีคิดว่าไม่มีผลแต่พยายามก็ถ้าจะจะจำก็ได้สักอย่างหนึ่งจำไม่ดีว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสั่กับภาษารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลส วันหนึ่งช่วงขนาดจิตเดียวนะวันหนึ่งนะไม่ใช่ครั้งละวันหนึ่งหมายว่าครั้งเดียวแ้ะช่วงขนาดจิตเดียวเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากกิเลสเย <c oughs> เป็นผู้ไม่ว่างจากฌานหรือว่าบุคคลใดมีจิตมีจิตแผ่เมตตาไปในทิศทางผวงก็หมายความว่าอารมณ์จิตเราเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นศัตรูกับใคร วันหนึ่งทําได้อย่างนี้เพียงแค่ช่วงขณะจิตเดียวไอ้ขณะจิตเนี่ยมันไม่ถึงวินาทีให้กล่าวว่าบุคคลประเภทนี้เป็นผู้ไม่ว่างจากชาญเห็นไหมในคำว่าชานี่หมายถึงว่าจิตที่ทรงอารมณ์ดีเข้าไว้ถ้าเราทําได้วันานิดทำได้วานานันหน่อยเนี่ยถ้าหลายหลายวัน แในพระบาลีบทหนึ่งเล่าว่าเมื่อฝนต ก, น, ตกน้า ต, าตกสมาธิระยัดระยาดประโยชน้น้อยยังสามารถทําให้เต็มได้ชั้นใดความดีที่บรรดาได้พุทธศาสนิกชนทําได้วันนัเล็กแน้อยมันก็สะสมตัวเองนเมื่อมนสะสมตัวเองมันก็เต็มมาวันหนึ่งเรื่องสร้างบารมีนะที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจบย่าง ตอนนี้จบมันจะเป่ายีานัทไม่ใช่อะมีความดีที่เป็นบริษัททํากันอันดับแรกท่านจะต้องคิดว่าเจตนาเดิมที่ก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านตั้งใจมาเพื่อกุศลใช่ไหมอยากจะทันจริงๆญาติโยมที่มาเนี่ยตั้งใจมาขโมยมียไหมเนี่ยใครตั้งใจมาขโมยยกมือขึนที หาไม่ได้หาไม่ได้ก็เจตนาเดิมเป็นกุศลการตั้งอารมณ์นี้เป็นกุศลพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเจตนาของพิฆเวปุญญมาธามิว่าดูก่อนมิสุติหลายแล้วถือว่าเจตนาเป็นตัวบุญตั้งใจไว้แล้ว ด, ดีว่าวันนี้เราจะมาเจริญสมาธิกรมฐานนิพพานากรมฐาน <c oughs> วันนี้เราจะมาถวายสังฆทานในตัวตั้งใจตัวนี้แต่บังเอิญตั้งใจไว้เต็มที่แต่ไม่ทันจมามันตายลงไปผนที่จะเกได้ก็คืออารมณ์เต็มอภูษณ์เต็มแต่ว่าถ้าบอกอย่างนี้แล้วก็จะไปตั้งท่าต่างทางตายซะก่อนมานะก็ะตัวอย่างเราจะเห็นได้อย่างสาธกีเทพปฏิดาตั้งใจยาวดอกบกผมไปบูชาประรัสนะไตร แล้วก็ไม่ทันจะไปาเพราะก็อยับท่าจะจะไปพืนดอกถือดอกบวกผมแล้วก็ทํำท่าว่าจะไปออกจากบ้านนิดหนึ่งมัวแม่ดูอ่อยผิดตายมันยังไม่ทันไปนะมัวแม่ดูอ่อนผิดตายเธอก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันดาวดึงสบทีวโลกนี่อาศัยดอกบวกขมมันสีเหลือง <c oughs> นี่ก็จิตตาลบสีเหลืองเป็นสําคัญ มีมายของเธอทั้งหมดมันเหลืองอ่อยไปหมดใช่ไหมเครื่องประดับทั้งหมดเป็นสีเหลืองแถมมีนางฟ้าพันหนึ่งเป็นบริวารแต่ความจริงก็ไม่ถูกนะนางฟ้าเป็นเจ้าของอีิมายเขาควรจะมีเทพบรุขเป็นบริวาร <c oughs> อัศติ <c oughs> สวรรนี้ไม่ได้เรื่อง <c oughs> ไอท้ทีเทพ บ, บุตรเป็นยังของมิมายก็ ม, มีนางฟ้าเป็นบริวาร นีนางฟ้าเป็นของที่เป็นเจ้าของที่มนันดั้นมีนางฟ้าเป็นบริวารเทวดาจัดไม่ถูกนะจะ <c oughs> มีนางฟ้าพันหนึ่งเป็นบริวารมีเครื่องประดับสวยวันนั้นพระมหาโมกขลาพระมหาโมกขลาเล่นท่านขยันเที่ยวสวรรค์ขยันเที่ยวนรกข้าไปเที่ยวในเมืองนรกไปเจอใครเข้าๆถ้าเขาไปใหม่ เด็กถามว่าทําไมถึงมาเกิดที่นี่ <c oughs> บ้านอยู่ที่ไหนพ่อชี่ไรแม่ชื่อไรที่ชี่ไรตาบลไหนเธอกถามเสร็จเดอถามว่า ก, กรรมอะไรเป็นปัจจัยให้เธอมาเกิดในนรกเขาบอกมาถ้านเ้าฐานต่ออีกว่าถ้าบรรดาญาติจะสงเคราะห์จะช่วยในแบบไหนเขาบอกมาท่านกลับขึ้นมาท่านก็ไปหาหยายเขาถามว่าญาติของท่านที่ที่นี่ตายไปแล้วมีไหม เขาบอกมีเขาเคยทํากรรมแบบนี้บ้างไหมเขาบอกว่ามีท่านบอกว่าก็สั่งมาเวลานี้เขามีความทุกข์ให้คนแบบนั้นแบบนี้เขาก็พ้นไปด้วยว่านั้นท่านย่องไปบนสวรรค์ท่านย่องแล้วว่าออกไปแล้วน่าจะย่องย่องไปแล้เดินแรงมากาได้ไหมย่องย่องไปหน่อยย่องไปย่องมาไปเจอที่มารเอ๊ะไอ้มาวานนี่มันไม่มีในวีรังนี่ยนะใช่ไหม แล้วแปลใจได้เข้าไปถามเจ้าของวิมานถามว่าวิมานหลังนี้ปรากฏขึ้นมาก็อาศัยเป็นของใครเจ้าของก็บอกที่องคอัาสสักีเทพธิดาไอ้สาธกธีในแปลว่าดอกบกขมคือนางเทพธิดาคนนี้ทำบุญเ้ื่อดอกบกขมแล้วถามว่าต้องมีอาการทำบุญเธาก็บอกว่าเป็นคนจน ไม่เคยทำบุญสนทานเพราะว่าตอนเช้าก็ไปตัดฟืนกลับมาตอนเย็นก็ขายฝาขายฟืนแล้วก็หุงข้าวกินตอนเช้าหุงข้าวกินแต่เช้าก็เข้าป่าตัดฟืนเวลาที่จะทำบุญมันไม่มีในวันสุดท้ายนี้ไปเห็นดอกบวกขมทั้งมีสีเหลืองคล้ายจีวนพระก็ น, นึกถึงพระขึ้นมากคิดว่าเรากลับวันนี้จะต้องเอาดอกบวกัวขมไปบูชาเจดีย์ที่เขาบรรจุกระดูกพระหา เห้เจตนาเป็นกุศล <c oughs> และกลับมาผ่านมาแบกฟืนมาด้วยมาถึงตอนนั้นก็วางกองฟางฟืนลงไปตัดตะบอกดอกผุขมถือมาด้วยแบกบฟืนมาด้วยหุงข้าวหุงปลากินข้าวเสร็จก็แต่งตัวทไท้าจะไปทำบุญแต่ไม่ทันจะทำตายพระโมกข์ลายก็จำไว้นละจำไว้ก็เวลากลับมาเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จตระสมมา ส, สมุทเจาว ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบเรื่ความเจียงพระบุคลาแลนะ้วถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็หวังจะโปรดพระที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เปลยนพระอริยะอย่างหนึง่งให้หวังจะให้เป็นปร ะ, ประโยชน์กับประชาชนผู้รับฟั ง, าาาาฟงชาว บ, บ้านก็ฟังมากแต่ว่าถ้อยคําที่เรีขึ้นใช้คําว่าพิโขวีมายความพระนั่งขณาเขาปลาโล ก, กับพระชาว บ, บ้านก็ฟังด้วย พระมาหาโมกขลัยก็ถามพุทโนถามพระพุทธเจ้าว่าคนที่ตั้งใจว่าจะทำบุญแต่ว่ายังไม่ไปทำเนี่ยตายแล้วไปเบนสวรรค์มีไหมและเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่รู้ไม่มีก็เป็นสับสนอยู่สมเด็จพระบรมมุูยังได้มีพระพุทธกาแตกาตรัสว่าโมกนลาออเมื่อคืนนี้เธอไปพบมันแล้วใช่ไหมลนะ่ะมันเนพระพุทธเจ้าหลบไม่ได้เรา หากินในทางโกอกไม่ได้เหมือนใช้เงิพ่อปานเนี่ยโก อ, อกกัไม่ได้สักทีไม่ท่านจะโกหก็จับได้แล้วเพราะว่าหลวงพ่อปานเป็นปรัฒนาพุทธภูมิและการเป็นพุทธภูมิของท่านก็อยู่ในเกงไกลฉะนั้ น, นยานพิเศษต่างๆที่มีความไวมากนะก็เต็มคือพวกันรายก็บอกพบมาแล้ว แด้ก็สงสัยอยากจะให้สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อพระองค์ก็จิงได้ตัดสรนพระบาลีว่าเจตนาหังี่เกวีบุญยังวาธามิมโดูก่อนพิสุตตังหลายเราถือว่าเจตนาคือการตั้งใจนี่แหละเป็นตัวบุญฉะนั้นก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะมาที่นี่อันดับแรกบุญของท่านตั้งอยู่แล้ว อนันี่จะจะพูดไปจะหาเป็นลงเป็นลังไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าบังเอิญท่านตั้งใจว่าจะมาเตรียมตัวเกิดเป็นลมตายเวลานั้นสภาพที่จะพึงจะได้คืเห ม, มือนนางสาตธกีเทพธดีดาเอาสแสดงไนะไม่ทันมานที่หลัง้ฟังแล้วจะไปตั้งทาง่าฉันตั้งท่าจะไปแล้วก็ไม่ไปนะนี้ไม่ได้นะอ <c oughs> วันนี้ตั้งท่าเปล่อเต็มที่วะ คุยใครตั้งใจหลัตาภาวนากต่ไม่แตกอันนี้ไม่ได้เลยบุนหดเน่ยนีเป็นอันว่าตั้งแต่เริ่มตั้งใจก็กุศล น, นี่ยมันเกิดตั้งแต่เริ่มตั้งใจทันทีอย่างท่านจะให้ทายก็เป็นกันไม่ใช่ว่าบุญมันจะให้จะได้มาให้ทานไปแล้วพอเริ่มจะให้ทานในบุญมันเกิดแล้วนะ เพราะว่าทรัพย์สินส่วนนั้นมันถูกตัดไปจากกาลังใจว่าเป็นของเราแต่การให้ทานเนี่ยมันมีบุญสองโดยการสามอย่างแต่สองไม่ถูกหนึ่งบุคคลที่ให้ทานให้ทานหรือถวายทานถ้าให้กัชบชาวบ้านเรียกว่าให้ให้กับสติริชันเรียกว่าให้ถ้าเราถวายกับพระเรีว่าถวายทานก็ให้เหมือนกันแหละฮะบุญโดยการที่ให้ทานมีประโยชน์เพื่อหนึ่งเกิดเป็นคน เป็นคนจนไม่เป็นทุกชาติต่อไปจะมีความโง่ในความจนเฮ้ยแยฮะฮะหนูแย่ได้ไหมมันจนไม่เป็นก็โง่สิป้ายอมโง่ไหมยอมโง่ในความจนไหมไม่ยอมโง่ขนาดใหญ่จนต่อไปะมนนาด้วย <laughs> ป้าฉันชอบโง่ <laughs> ก็ชอบสลาดใสลัดแม้ท่านบอกว่าคนที่ให้ทานแล้วขึ้นชื่อว่าชาติต่อไปในการขาดทรัพย์สินนี่มันไม่มีแต่ว่าเขตของท่นก็จะมีเมื่อเทียบกันเสมอกันการให้ทานกับสัตว์ในชั้นท่านบอกว่ามีผลร้อยเท่ายังไม่ต้องบ้ากันนะเวลาจะหมดตอนนี้ทานอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าทานนางสกุโสทานนาง ทานเป็นบันไดให้เกิดสวรรค์เป็นเทวดาใช่ ม, มนี่ผลขงการให้ทานมีระการลีสองคือได้เกิดเป็นเทวดาก็ทีสามทานเป็นปัจจัยสัดโลภคือความโลภนี่เป็นอันว่า ก, การให้ครั้งเดียวเนี่ยมันมีผลสามอย่างหนึ่งปัดความยากจนของตัวเองในชาติต่อไป ระการทีสองเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นเทโอดาหรือนางฟ้านะ่ะเดี๋ยหาผู้หญิงไม่ได้เป็นนางฟ้าเอ้แล้วราการที่สามเป็นปัจจัยตัดโลภคือความโลภไอตัวท้ายเนี่ยสําคัญนี่เราจะตั้งใจไปนิพันธ์เนี่ไม่ตั้งใจไปนิพันธ์ในเมื่อความโลภมันอดตัวลงไปมันก็ใกล้มีพัยกอนไปทุกที <c oughs> ใช่ไหมนี่เรื่องของทานที่เราตั้งใจจะให้จบอย่าง เรยบยังเนี네้ยมีแง่เรื่องบริการที่สองท่านหลายตั้งใจมาในวันนี้นอกจากจะให้ทานแล้วก็ปรารบเรื่องของสินเรื่องตัวสินนี้เราไม่กันถ้าจิตปรารบว่าเราจะสมาทานสินข้านา้น่นสินมันเริ่มมีทันทีใช่ไหม เราสินได้ไม่ทันทีที่ปาปนิก็ประรบสินห้าอันนี้สงฆ์ไม่เกิดทันทีที่เราคิดว่าเราจะไปสมาทานสินหมันเกิดทันใดเนี่ยเพราะเวลานั้นอารมณ์ไปสุผลแล้วนอันนี้สงฆ์ขอสินไเป็นยังไงหนึ่งสิงข้อที่หนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นคนสวยเนี่บนี้ที่มันนั่งชาติหน้าสวยหมดนั่นก็เลยหาคนสวยไม่ได้มันต่างคนต่างสวย ใช่ไหมหาใครซื้อใครก็ไม่ได้เสร็จเม่ไงก็อะไรข้อสิงข้อดีหนึ่งเนี่ยเราจะทําได้เพราะอาศัยเมตตาเมตตาเป็นปัจจัยให้เป็นคนสวย <c oughs> แล้วก็สิงข้อดีหนึ่งนี่แหละจะเป็นปัจจัยให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเพราะว่ามันเป็นจาการเบียดเบียนสัตว์ ที่บอกว่าน้อยก็เพราะว่าเราอาจจะเคยเบียบบีนกันมาบ้างไม่พอมาเข้ามาเกตรักษาศีลบางทีเราก็เผลอไปบีมดก บ, บังบีบบวกกบังนั่นเป็นอาการของการเผลอแในการเคยชินแต่อารมณ์ส่วนใหญ่เราระมัดระวังอย่างในศีลแต่การดีสามทาให้เป็นคนมีอายุนั่งนอนยืนเดินไม่ใช่อายุ ย, ย, นะยืนเฉยนะยืนเฉยก็ตุกตาที่บอกเป็นเบื้อค่อยอายุยืนเสร็จเมื่อยตายเลย แม้ความว่ามีอายุอยู่ยืนยาวนานฮะอาจจะเต็มอายุไขหรือว่าเลยอายุไขไปนิดอย่างก็อายุไขหน่อยฮะนี่เป็นเรื่องของสิข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สองถ้าเราสมาทานราศัยได้มีอณิสงของสีนทรัพย์ถึงของท่านทั้งหมดที่มีอยู่จะไม่มีไฟจากไฟไหม่จากน้ําท่วมจากลมพัดจากโจรขโมย แล้วก็จะหาความยากจนไม่ได้กศิริณภูกระสมัติใช่ไหมมีสิ่งข้อดีสามถ้าเรารักษาไว้ได้คนในปกครองหรือในคณะทั้งหมดจะเป็นคนที่อยู่ในวา่าหรือว่าไม่ว่ายากให้ว่ากันนะมันว่าไม่ยากแต่คนเขาเชื่อยากอือตอนนี้นว่าก็ไม่ยากคนเขาเชื่อก็ไม่ยากเขาเรียกคนในบางข้าราชาจะไม่ละเมิด ในกฎและแบบแผนข้อบังคับที่เรามีอยู่มีสำหรับสิงข้อดีสี่ให้รักษาได้จะเป็นคนตามภาษาบาลีท่านบอกจะเป็นคนปากหอมแต่จะไปดมกูนะ่ะแต่ลืมแปลงฟันยังงายท่อมถึงเนี่ย <c oughs> คำว่าปากหอมในที่นี้หมายความว่าพูดและมีคนอยากฟังอยากเชื่ อ, อเรียก้ปากหอมนะอต่ย่องมดมปากเออจะกินปลาไปใหม่ นี่มาโกษละแล้วสิงขอทีห้าที่รักษาได้ก็แยกกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นิว่ากันถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าสีเลนสุขติงันติยานมีสินบริสุทธิ์เห็นว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสุขถ้าสิงก็เป็นปัจจัยเกิดบนเรวันนี่สีเลนโกกสมัตา มาเกิดเป็นเทวดาก็มีมีแนวที่ตัวสมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็มีสมบัติมากเพราะว่าเราเว้นโทษข้อดีสองเพื่อดีนาทานนะเสสีเลย น, นิพุติงยันติศีเป็นปัจจัยให้ใกล้ในพันเข้าไปก็เข้านิญญานง่ายๆทั้งนี้เพราะอะไรเมื่อคนที่รักษาศีได้ปกติจริงๆ คนนั้นจะต้องมีเมตตาการุณาเราสองตระการคบถวนเมตตาความรักถ้ามีอยู่ถ้าเรารักกันเราก็ฆ่ากันไม่ได้เราก็ทำร้ายกันไม่ได้เพราะรวมความรักมีอยู่ถ้ารักกันก็ไม่นอกใจกันรักนั้นยินยถาวร น, นะไงดูหน้าม่นก็ไม่ ใ, ใจเสียโกงหน้าเนะ่ย มองแล้วไม่ค่อยไว้ใจมองพูดข้อนี้ก็คมคมนะแสดงว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์เยอะไหมเนี่เป็นอนุวั ส, สีเนี่ยเป็นปัจจัยในผลิตภัณฑ์เลยไงเพราะว่ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารในเมตตาความรักกรุณาความสงสารสามประ ก, กรารเนี่ยถ้าเรามีอยู่ทานบา ร, รมีมันก็เต็ม แต่การให้ทานได้มันก็ต้องอาศัยมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าเราเกลียดเราก็ให้ไม่ได้ให้ได้ไหมไ้่มีใครก็ให้เราก็ไม่เกลียดถ้าเราไม่รักเขามาก่อนเราเห็นเขามีทุกข์โกฏธสงสารใช่ไหมก็ต้องเป็นข้อใดข้อหนึ่งแล้ะเมตตาความรักความสงสารมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้ศีลบริสุทธิ์ด้วยและเป็นปัจจัยให้มีทานสมบูรณ์ด้วย เมื่อทานสมบูรณ์แบบคือการเมตตากรุณาในการเสื่อแผ่ในการให้ทานมันเป็นปัจจัยก่อติความโลภศีลมีเมตตากรุณาดังสองตัวมาเครื่องคำจุ่งก็เป็นปัจจัยก้อติความโกรธเมื่นี้เมื่อความโลภ ก, กับความโกรธสองตัวมาลดตัวลงไอ้ความหลงมันจะยืนอยู่คนเดียวไม่ได้ใครคนที่ให้ทานได้ก็ดีคนที่รักษาศีลนี้ก็ดีแสดงความหลงมันลดตัวถ้ามันหลงจริงๆมันไม่ทำใช่ไหม เป็นอันว่าตัวหลงนี่ไม่ต้องหาทางตัดหอรอกเพราะตัวหลงนี่เขาตัดด้วยปัญญานี่แล้วก็ดูว่าคนที่ยหให้ทานเนี่ยเขามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ให้ทานไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาความดีอันนี้เขาไม่ให้ทานคนที่ไม่มีปัญญาเพื่สอสรงความดีด้วยการรักษาสิ่งเขาก็ไม่รักษาสิ่ เป็นแสดงว่าคนที่ให้ทานได้คนดีคนรักษาศีลได้คนดีเป็นคนที่มีปัญญาแล้วความหลงมันก็ลดตัวเป็น อ, น, อ น, นุวาอนิสงส์ของศีลที่ตั้งใจไว้ว่าเราจะมาสมาทานศีล น, น, นี่อานิสงส์ไม่เกิดตั้งแต่จุดนั้นแหละจุดที่เริ่มต้องจะมาแล้วก่อนจะมาทีคิดไว้มีลาไมเร็วจังนี่ตัวตัวใหญ่ตัวอย่างมีเวลาสักครึ่งนาทีมีสมณีกับพระ มีพระองค์หนึ่งท่านสาเร็จเปรารัานปฎิสันมิทายานแลยจะมีเลนเป็นุปิเนจะก็นางนนแม่อาจารย์นี่ของเรานี่เป็นประธานปฎิสันมิทายานจัดว่าเป็นประรหานขั้นสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่ว่าก็ยังสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้่นก็เดินไปอาจารย์ก็ไปเฝ้าพระเจ้าแล้วกลับ พระพุทธเจ้านั่งสูงกว่ามีบารมีดีกว่าอาจารย์เราต้องไปกราบอาจารย์ต้องบปไหว้ไเอเราเนี่อย่าเป็นอาราหันย์ยังอาจารย์มันก็ไม่โก้เราเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่านะ mm. มันกโ ก, โกด้ดีอาจารย์เราหยุดหลงเล่นเดินหน้าเดินเข้าเดินหน้าเดินเข้าคิดไปคิดมาบกโอ้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็แย่ต้องบำเพ็ญบรารมีที่ทักษปัญญาลิกะก็บำเพ็ญบารมีเที่เสียสงไข่กำไรแสงกลับ ถ้าเป็นสทัทธาดีกะก็ต้องบําเพ็ญบารมีขึ้นแปดอสุนงขัยกำไรแสงกัปถ้าเป็นวิวิทยาดีกะก็ต้องบําเพ็ญบารมีขึ้นที่หกอสุนงขัยกำไรแสงกัปถ้าเราต้องการเป็นสาวกอย่างเดียวญาอาจารย์เราก็บําเพ็ญบารมีเพื่อหนึ่งอสุนงข <im varios> ัยกำลังแสงกัปปุเป็นมาเลยพอกเดือเจ้าเป็นอรหันติกว่าอาจารย์บอกเน้นเรื่องหลังเน้นลึกนะเน้นไม่ได้พูด แล่วพอเดินข้าหลังเขาคิดีกเลยโอ้แต่ oh. หันก็ดีแต่มันไม่โกตพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าดีกว่าอยออกเน่นเดินมาเอ๊ะ oh. <laughs> ต่อสา <laughs> มหมนเน้งจะสงสัยในอาจารย์ยเรีนท่าอะไรกันวะจะให้เดินหน้าเดินหลังแล้วก็เลยถามอาจารย์บอกอาจารย์ครับทําไมให้เดีนน๋ยวให้ผมเดินหน้าผมเดินหลังอาจารย์ก็เลยถามว่าเวลาที่อยากชั้นให้เธอเดินหน้าเธอคิดอะไรบอกผมอยากเป็นพระพุทธเจ้า อีตอนนี้ฉันสั่งให้เธอเดินหลังอ่ะเธอคิดอะไรบอกผมอยากจะเป็นอรหันต์ธรรมดาก็บอกว่าเพรอะเธออยากเป็นพระเจ้ า, จาฉันยี่ให้เดินหน้าก็อยากเป็นอรหันต์ธรรมดาจะเป็นก็เป็นที่หลังฉันนี่ต้อนดวงเดินของหลัง <c oughs> ในยแกได้บอกว่าผมยังไม่ได้เป็นนี่ครับพระพุทธเจ้ากําลังนึกเท่านั้ น, อ น, นบอกมันเริ่มเป็นตั้งแต่นึกเองน่ะ คือพวคิดว่ า, ราปรารถนาพุทธภูมิอยากจะเป็นพระเจ้านี่มันเริ่มเป็นตั้งแต่เวลานั้นนะคือเป็นมาทียรน้อยเนี่ยตามธรรมดาพระละหานันนี่ท่านจะยกย่องพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิถ้าพูดงั้นว่าถ้าไม่เข้าระเบียบตามอาวุโสนะถ้าเป็นพระใ ด, ดกันนะถ้าทราบว่าท่านผู้นั้นปรารถนาพุทธภูมิพระละหนนี้ก็ไม่นั่งงาน เขจะให้พวกบริษัทให้นางนาแต่ต้องจริงๆรย่ยงจังนะไอ้ยังหลอกๆเป็นเขารู้ก็ไม่ให้นางนาหรอกโกงเขไม่ได้ใช่ไหมคือ พ, พ่อได้พูดว่าไอ้ความดีความเป็นมันเริ่มตั้งแต่คิดทีแรกในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทก่อนจะมาเนี่ยก็เริ่มคิดมาเลยว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรยังไม่ได้ทําตัวนั้นอไอยสมไม่เกิดแล้ว ไม่ว่าต้องคิดว่าจะมาจริงๆนะจะทําจริงๆถ้าคิดว่าจะทําจริงๆแต่บังเอิญอุปสรรคมาขัดขวางเรามาไม่ได้อันนี้สงฆ์ก็ได้แล้วถ้ามาแล้วแต่มันบังเอิญลดเสียเสบ้างลดติดเสบ้างดีไม่ดีเจ้าหนี่มาขัดข้อมาทวงหนี้เสบ้างไหมคอนี้เป็นไงใจเสียเลยเนะี่ยฮะอันนี้อันนี้สงฆ์เดินเขาได้แล้วก็ เ, เริ่มได้ถ้าตายไปในช่วงนั้นเขาไม่ได้ทันที แต่ราจะพูดต่อไปมันก็หมดเวลาเนี่ยแต่ของยาจะม่หมดคิดอยญกเห็นจริงมันก็ไม่ดีอ่าไม่ดีว่าทําหนเข้าเรืง่งน้อยเกินไปก็แต่กายนุ่มการกพักผ่อนไม่ดีตอวนี้เป็นโรคสมดุลใต้องถือว่าขัดคำสั่งของพระเดชยาคือห้ามประมาทเือไปอย่าเลยการต้องการอยากรู้อยากเห็นได้เียว่าเป็นอัศจรรย์เวกัรมันสุขโยมาสุขนิกา ร, าการโลกอยากถือปใช่ไม่ไ รวมว่าภาตุแสงสีใดๆที่จะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราเดินในข้างของสุขาวิปัสโคต้องไม่ถือเอาเดัศต์รักษาลมโดยพิจารณเฉพาะอันนี้ก็ไม่ค่าให้ควาใจไว้นะเคือคี่เราพุ่งลายเนืงจากนย้อนต่อใน ต, ต่อมาเวลาที่ผู้หลงได้เาสมาธโภรณาในการปฏิบัติการบรรนานจริงกแล ข, ขึ้นต้นในลุปันาภาวนา ในเชิงอารมณ์ถึงแนละ้วเป็นบรรณฑิตขึ้นสีนสมาธิปัญญาขึน้นมาแต่เราปฏิบัติจริงๆให้ขึ้นต้นโดยวิปัสสนาภาวนาก่อนไม่ใช่แร้ลมั่อน<ม>ก่อนที่เราจะเจริญสมาธิเริ่มสมาทานสีน